ใจนี้เป็นเรื่องสคัญแต่ว่าท่านหลงไหลในเรื่องของกายของใจราบอะไรเป็นอะไรกันแน่เ้็นอาศัยการศึกตระวนการจิตวัยมาเดยดยปัญญาของเตียวจิ้มเจ้าเรื่องของกายตามเป็นจิ้ข้นมาเ่ของใจตามจ็นจิ้มขึ้นมา about มันเป็นอย่างนี้มันไม่เคยเหวี่ยงเคยเหวีวมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่ดีเลยนะมันไม่เคยถึงจะเหวี่ยงมันเป็นไปตามเรื่องของมันอีู่คือเรื่องของกายเรื่องของขาดของขันที่จะมาเหตุรู้เหวี่ยงตามเป็นจีนที่ไหน นักองมันเป็นอย่างนี้ใ้สภาพดีในจิตในใจอยากไปยึดอละกายเป็นเราเราเป็นกายถูกเห็นไปรู้เรื่องของกายนั้นให้แยกออกจากเรื่องของกายแต่แยกออกนั้นถ้าหากจิตของเรานน่ละเอียดไ่เห็นจมันก็แยกไม่ออกได้ จิตมันแยกออกได้จิตละเอียดจิตเป็นเองที่มันนันเห็นเย่างร่ากายเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้ร่างกายมันสมรรถถูกเตรมไปมีการเปี่ยนไขมีการแตกสลายแต่จิตเห็นเด่นของกายคามเป็นจริงของมันก็เหมือนกันกับบ่งของเราถูกภายในรู้ถูก ทงเร่งใจแต่ตัวขงเรานะในื่อบ้านบ้านในตเราเข้าใจชัดเจนอย่างนี้เลาไม่มีความเจ้าอกเจ้าใจอะไรกันเรื่องอันนี้มันเกิดขึ้นมันเปล่วนมันแจกลายตามหลั้งมันที่มันเป็นดีน่ามากพออาศัยตัดใจคือกรรมมันอาไว ที่ n ันพังได้ง่ายเพราะอาศัยแต่ใจที่กรรมเสียๆถูกตัดความเหนพังเห็นทลายง่ยที่ใจนาทางธรรนะที่ใจมาเหยียบคายลงไปอย่างนั้นเยอะเลยเรามีปุตติอยู่ในกายใจกายเป็นหน่วงขอกายไม่ใช่ยิ้าใส่ใใชใช่บุคคน มาเรีมาห็นเป็นอีกอันหนึ่งสิ่งที่เกีวกการเป็นอีกอันหนึ่งหนคือทางที่เจมาสติปัฏฐานอยู่กับผู้ใจจัสอนเห็นาวนากหนดที่เจมาเดียวภาวนาามทุกทุกเฉโชจะมีอยู่ทุกเรแล้วเริ่มแต่เราจะมีสติกำหนดดูแลร้ไม ความจริงสิหลนี้อยู่ทุกระยะทุกเวลาว่าเราจะอยู่อีเียบทใดความสุดความทุกข์เฉยนะนมันมีแต่มันเปลี่ยนนาสีกันบางทีทุกเกิดสุขมันก็หาไปสุขเกิดทุกนกหายไรเวลาเด็กทุกมื่อสุขเฉมก็เกดมันมีอยู่อย่างนี้อย่าเละเวทนา เวทนาเนี้ยก็อาศัยกายอาศัยจิตแนี่แต่กายถ่ายเดียวเวทนามันก็มันเกิดขึ้นมีแต่จิตถ่ายเดียวเวทนาก็เกิดขึ้นเหมือนกันกับเสียงของอาศัยมีอสองอย่างกระทบกันเสียงที่เกิดขึ้นแต่นี้อย่างเดียวมันก็จบมือทางเดียวเสียงดังมันก็มันเกิดขึ้นเสียงนี้เหมือนกันกับเวทนา มีจิตยีกายอยู่เวทนาจะตองมีหนึสิบกอทุกข์ในอย่างนี้ก่อเฉยเฉยมันมีอย่อย่างนี้แต่เวทนาเนี้ก็เป็นแต่สัตวเวทนาได่ใช่ว่าเราไม่ใช่ร่าสัดวมันเป็นมาแต่ไหนจต่ไรแต่ที่มันพูดหนูวิภาษาไม่ใช่ภาษาทั้งนั้น มันเกิมีเงื่อนกันกับมนุษยเราอยู่ในเวทนาแต่เวทนานั้นโดยเป็นใหญ่ทุกเนื่อคนว่าสัเนี่ยจากถนาชอบสุขยินดีในสุขอยากจะให้สุขอยากจะให้สบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ธรรมะของพุทธเจ้าที่จะสอนความความคิงเมว่าสุขไมว่าทุกข์เลยเฉยเยเกิดขึ้น มันตกแย่ไปเปลี่ยนไปดัดไปตามหน้าที่ของมันแต่วามันจะคงทนอยู่เรื่อยไปมันเป็นหน้าที่รางมันเป็นอย่อย่างนี้แต่เราม่เห็นตามเป็นจริงเกิดความดีใจเสียใจในสิ่งเหล่านี้ทังๆที่สงนี้นื่อ้าอเ่อะไรือเราไปหลงไหลรักมันชอบมัน เรองเียรติมนมนเรสียใจหรือเครือนามันมีอยู่ถึงมุกถึงแมนคนจะจะปฏิบัติตามอาจตามทำแต่ตามคนที่จะไม่ป <c> ฏ <oughs> ิบัติอะไรแต่ตามเวทนานั้นม <c oughs> ีอยู่โดยการทุดเพน้แต่เกิดแล้วเวทนาต่มีมีกายมีจิตหรือคือการที่ที่ติในมาเลื่อเียกทิม เจรณาสติปัฏฐานนอกจากนี้คือเณจิตความนึกคิดคิดอย่างนี้นึกคิดอย่างนี้บางทีกไปในทางชื่อที่ักหลาถัวไปเป็นืิทาคือิดไปทางที่เหลือปัญหาทั้งโลทั้งโกรธทั้งหลงบางทีเราิดไป เข้าใจนความคิดของตัวเพ้าสติปัญญาของเราไม่เข้าใจอยู่ความไม่คิดอ่ามเป็นตัวของตัวว่าเข้าใจว่าความไม่คิดนี้เกี่ยวกับใจความไม่คิดเกี่ยวกับจิตเอง ติดตามเหียกว่าจิตารเสื่อมถึงอย่างพวกังามเหี่ยกว่าขังขางความปุนจิตและแต่จะสมนติมันแตลว่าอะไรนั้นนันก็นดีใจเสียใจนู่นันมีอยู่เด็กกันทั้งนักเบื่ทั้งพลรวัตรผันโลกคิด ทำดีเชื่อยกเข้มทำเอากูเข้มทำหรือการป็น่างกายหยุดัธอภัยจิตทำแล้วก็คิไปได้พิจารณาไปได้ยุคจิตประทานทั้งสี่ถ้าแยกออกไปกันจนแยกไหมรวมแล้วก็คือกายคือใจของเราอันนี้นี่ยู่ที่อื่นคือจิตกหนดอันนี้ เื่อมาให้ ร, ห ร, ร, ร, ร, หรู้ให้ใจใจตามเป็นจริงเท่านั้นแต่ว่าเริยนสติปัฏฐานหรือที่จะมาติดอ่านเรื่องของกายของใจให้รู้ให้ใจใจให้ใจจับอย่าไปยึดทชว่วทั้งนี้ให้สะอาดตามเป็นจริงเท่านั้นแล้วปล่ อ, วอยวางนั่นสิ่งนั้นตามเป็นจริงเท่านั้นอย่าหด หยุไปยึดไปถือไปแบกันหาทาสุดไปปฏิบัติมันจะเห็นเองความติดขอ้อและถอนทุกข ย, ยึดเคยถือเคยสำคัญหนังมมยแต่ามามที่เยไนะทําำน้แยกคาลงไปมันจะถอดจะถอนเรื่องความยึดถืออย่างนี้จะเห็นตามเป็นจริงทั้งนั้น สุติสีนิจเจนะในสติปัฏฐานทั้งสี่ต่างๆสังฆะกาหนดรักษาดูเลดวงของจิตในจิตไปทางนอกจากสติปัฏานด้วยในการที่เจนะตายกว่าไหมกำหนดที่เจนะ้วทนาเวทนาจิตที่เจนะทำด้วยอันหนึ่งนะที่งานอันหนึ่ง โลกไปวนมาที่เจานาอยู่ในสติปัฏฐานไม่เหยือ่อออกได้ทาโนาคนนั้นพ้าผู้ใ้เจ้าวาดงวะอย่างช้าที่สุดโดยเลยจิตที <c oughs> จะมีสติเป็นสองคือจะเป็นโสบาคือจะเป็นเอะถ้าอาณาากับตาอาหาันโสบาเป็นผีตาคานั้นท่านไม่พูด คือมันต่าเกินไปจะต่างเป็นพระอนาคากับอพระอรหันต์อย่างช้าที่สุดเพียงเจ็บปีถ่านั้แต่บางท่านบางคนจะถึงเจ็ดปีหกปีห้าปีนเจ็ดเย็นเจ็ดวันจะเป็นไปได้อยู่กับเราท่านเคยทิ่ารณากันแต่มันไม่ติด โดยส่วนใหญ่พอกำหนดยึดยึดได้หแล้วก็ต่อไปคิดตัวอันไหนสติปัญญาในมือที่จะกำหนดที่แจนในตายในเวทนาในจิตในธรรมใจให้เที่ยวไนตามความอยาของใจทั้งๆที่เป็นเมดตลือดก็ม้วนกัน เหตุนันคุณค่าสาของอับของธรรมจึงเหนื่อยเกิดขึ้นถึงเหือดมาระยะยาวนานกว่าตันถ้าคุณรักษาเอาไว้ติดต่อกันไปมันก็เป็นไปได้เมื่อเหปัญหาไหนไหนมันจะมาเหี่ยวเยืจิตใจให้ลุ่มหลงถ้าหากที่จะมาตามธรร ม, มะนันใี้แท้ที่จะเข้าได้พราะธรรมะรักษาเอาไว้ มีเะสีจิตมีปัญญาอะไรถ่านมาทราบมันแรบออกไปจาดกายจา ก, สาสกาเวทานาจากาาิตจัดทํทราบรักษาอาไว้ไม่มเห็นมันแรบออกไปไกาอยู่ในเยงทของอักของทำยิ่งจังเน่ยนอนอย่างนั้นความรู้ที่เป็นอักเป็นทาจะเกิดขึ้น อันนี้เป็นอันนั้นอันน้นเป็นอันนี้ักเกนสุดแล้วเมื่อกิจเมื่อกึจถือการเวทนากิจทำแล้วมันจะเป็นอย่างไรเร า, าก็เพราะทราบได้วันไม่มีอะไรในโลก อ, อันนี้ที่จะทำให้จิตเหนื่อยหน่ายทำให้จิตข่อมจิตในจิตถ่วไป พอเรื 3, nào, y, <c ười> ôn, ta, ่องของกายเรือธนาเป็นปัญหาใหญ่ทุกคนห่งเหลงกันเรื่องบยบหยาถ้าเราเคยเห็นของละเอียดเป็นแต่องยาบยาเป็นแต่ของยำหยากายมันเป็นของยาขี้ยงนการของตัวยายนี้เื่อถึงจริงจังแล้ว สิ่งท่นน่งหมดส่งนยูเหมือนกันไม่ตเหมือนกันหมดกายของเราไมีหน้าที่แป่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างไรรูปอื่นชัติอื่นคนอื่นในอดีตอนาคตไม่ต่อเหมือนเรากาหนดอยู่ในปัจจุบันไมนมีอะไรทำที่จะทำให้ลืมหลถ้าไปจุดันเหวินไปจากที่อย่างนั้นมันเปลี่ยนไปอย่างไร และจิบของในโลกของเราจะจิบของสิ่งของวัตถุต่างๆเรื่ อ, อ, อยไปเมเราเข้าใจรกของเราตายของเราอยกลายถอยเกินใจปล่อยเรื่องของกายเห็นเป็นาการกระพริบของเงินแล้วสึ่งอื่นทั่วไปนั้นในจังกระละได้ถอนมันไม่เข้าใจถ้ามันเป็นรุบเหมือนกัน มันจึงมีออยที่จะเฉ่ใสมีการที่จนนะตั้งสติปัฏฐานมีคุณค่าอย่างนั้นความทุกทบเฉ๋ยอย่างอย่เวทนาอันนั้นก็ท่านยกไปถ้าหักม่นมีการถลายตัวมันไปแล้วเคยทุกข์น่น่ขกเคยทุกขนะ นี่ฮมันเป็นอย่างนั้นอยู่มันมีการขลายไปเป็นอย่างไรยังคงอยู่อย่างนั้นแล้วก็ยื่ไม่ได้ตายไปนานแล้วพอมันเวลามันพุกข์มากๆไม่เป็นแน่จะยืนจะหลับจะนอนอยู่ยี่ยวกบใดมันพุกอยู่ตลอดเวลาจะรับทานมันจะรับทางเลยได้ แต่รับงานมันก็ม่รับให้พรทุกข์มันดับไปมันเกิดเยมันดับไปฝึกก็มือนกันมานที่มันฝูกอ้นย่งใจใมันเคยไปฝึกวกที่ไห่เคยพามาอยู่ในทางโลกก็เคเลุ่มหลงเหตุเชนฝึกัเยี่โมันก็เคยไปฝึกนแต่สิ่งเหล่านั้น มันกมกดไปหายไปข้างในตัตออต้ทีดไปเพืปฏิบัติตามอัตถัณฑ์ภายในนั้นก็เคยไปสบพบเห็นอีกเหมือนกันความสุขความสงบ ข, ของใจส่วน อ, อย่างไรนั้นจะเห็นจะทราบจะเข้าใจตัวเองตัวจริงอยงนั้นมันตั้งแน่นรึไม่เมื่อมันเกิดแล้วมันแปรเปลี่ยนเพาแต่สลายไปนั่นก็เพราะให้ได้ ต่าอะไรทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นจะต้องมีการแปรเปียนและแปกผว่าจิตเพื่อนเป็นอย่างนั้นแต่ จ, จ, ต จ, ะจะิตใจของพวกเราท่านมันไปยึดเหน่ยจุกกลัอยากแเหนื่อยจอยู่ตลอดกางตลอดเวลากายก็อยากกายมันเหนื่อยมันสาออย่างนั้นมอยากให้มีโรคไข้ไขเจ็บอะไรมันหยุดเยี่ยมมันตาทะน้าอย่างนั้นตาทนาสิ่งที่นันไ่มี เป็นป <c oughs> าถนางที่มันเต็นไปไหนได้จะป่าเถนาเท่ไาไรก็ป่าเถนาไปผิดหวังอยู่ตลอดชีวิตความผิดหวังนี่แหละภายในจิตของเราเศร้าหมอง้ายในจิตของเราบวกยงเบเป็นทุกข์ภายในหน่วยนย์ป่าเถนะให้ใงินตาสวยความจริงมง น, น, นจริงเป็นอย่างนั้าการที่เจอมาอบวมทำนที่ปฏิบัต ใจท้งเตัอนเกี่ยวกัเห็นจินต่างๆกามจริงเท่านั้นเมื่อเห็นเมื่อหาใจในสินต่างๆกามจริงๆนั่นจะมีทางเคลื่นไส้ในกจรละจะถอนจะปล่อยใจวาความยึดถือถูกเคฝังในจิตในใจท้องเตือนนี่คือการภาอนาการละถอนหลุดพิเรถถูกเคยสิงจิตคิดละ ผ้คนมีหน้าที่ที่จะฝึกจะอบรมในอย่างนั้นก็ด้มีวันเวลาที่จะสงบได้เพราะโลกอันนี้มันมีอยู่ในว่าตั้งใจตีแทงเหงาไ่เหยื่อรู้ในตัวของเาวเหยื่อร้มีเลือยนมีเลือดพอตายมันมีหินยมันี้ยินมันหลอันนี้ จริงจเป็นต่องุญยนะอยู่ที่การศึกษาทรรนะการภาวนาละทิเลไม่ได้อยู่ที่อื่นทุกคนมีกายมีใจที่จะปฏิบัติที่จะรักษาละวอนจิงจิ้เชื้อเสื้อต่างๆโดยใช่เราจะไปหาที่นูนกนที่นี่ก่อนเพราะทำ เรนนรูปแต่ทำไมไม่ทำมัมนม น, น้สิ่งที่เป็นรูปมันก็มีอยู่ในเราสิ่งที่เป็นนามสงรียนนามัญญาจงขั น, น, ย, นยินดนมันก็มีอยู่ในเราตัวของเราเป็นคอกทุกสิ่งทงอย่างเดีวยวกับทำททในรูปแต่ทำนามไม่ทำาไเรียนามใจเรนนิสเห็นอเป็นจริงอย่าเอา เิเลสตามหาเป็นฝาสบาแต่เอาธรมนะเอาของินเอายาัตรูกสินจิตมันจะเหวี่ยเต็มเต้ น, ต น, ยนเยสบาเราะมันเหนื่ยหลบกาเหนื่อยหล้นไมท่ทําิ่งเห่านี้มันเต็มอย่างไรคู่ไปรูไปเหมันเ็อย่างนั้น การฝึกให้เราฝึกอบรมปฏิบัติแยกออกจากรูปจากงานเสนั้นี่ยคือเข้าใจในตัวของตัวเองแต่ก่อนเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นา้ต่คือปฏิบัติเห็นรู้มันเป็นอย่างนีนอย่างนี้นมันแตกต่างมันจริงหรืออะไรสิจะสงสัยคือการปฏิบัติทุกคนมุ ความสุดความสงบกว่าในใจเราจะไปหาที่ไหนความสงบภายในโลกมันจะหาได้แต่ความสงบภายในเราเรื่อย่ากจิปฏิบัติรักษาตัวเองถึงข่ายนอกจนสงบขนาดไหน้จะทางไสนมันไม่สุบข้างในด้วีจิตใจ สงบเงียายเป็นเพียงในอจในธรรมเป็นข้างนอกนั้นในบังคับบัญชาไมได้ไม่ได้ชอบเขาชอบบางคอหาเย่างนะให้ในสงบได้ไอ้เร่อเสียงมันมีอยู่ในโลกแต่ไหนแต่ไรนะเขาชอบใ้ป่าเถ่อน้วเก็หาเนี่ย เ่นกันแต่เราหน ม, มีตัณยา ม, มีธรรมนี้เพราะกระทบสิ่งเหล่านี้ไม่ ก, เกอเดเดดร้แต่สิ่งที่เาชอบเรายินดีไม่ก่สุความบ้าสิที่าไม่ชอบเรายินดีไม่ก่ทุกข์วในจิตในใจของเราหนูเคจิตจิตใจภายในมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ความชื่ความชอบก็ดีความไม่ชอบก็ดีมันเป็นของต่งทางตางทางเหมนเดิมอยู่ดีๆสบายๆมันมันไม่เอาหยไปหาสิงนี้ยื่นไปหาส่นี้ความสงบมันีถ้ารู้จักรักษาความสงบของตัวอารจ ต่างๆเนี่นะเห็นเกิดขึ้นผ่านมาเวลายุ่งต้องไปเกี่ยวข้องกับมันยิ่เราไม่มันมีนาแต่ไหนแต่ไ้เราอยู่เฉยในความสงกแล้วก็ดูสิ่งที่มันเปิจในต่าเพียงจะดูอย่าไปเป็นคนเล่นมันจะไปเห็ี่ถ้าไปเล่นกับมันีนมันทุก ยึดไว้จดของตัูดแต่แบบทยืได้้งน้อเรื่อเสียงยังเหมาะยัมีทไปยืดไ้าำไปยืดเสีงสเยงไปืเหนนนนนนนนง่อนนกับเรื่องอะไรนะั้นยายามจุอย่า น, นั้นเป็นอย่างนี้อย่นี้สงบอยู่ตนนแต่เวลาแต่อนมีกาออกกนเข้ามันไดยสด อยากยิ้มเกียวหัวพันกัสิงต่ๆความจริงมันเป็นอย่างไรถ้าเห็นจิงในจิตในใจกจต่างๆหักแห้อยากอย่างนี้อยากอย่างนี้ท่านั่งจิอย่างนั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นเราจะให้นั้นเป็นไปตามความต่างๆของเรามันป็นเกิด มันบาดเกิดทุกข์เกิดโทษ อ, อย่าที่เจอนีอย่างของกายของใจนั้นมันมีเดียวกันทุกคนในวัดก็เหมือนกันยนืนจะเดินจ่นอนม <c oughs> <c oughs> ีมีจะหมดดูอยู่นันในจิตในหลวงตาในหลวงตัวของตัวในหลวงจิตขอตัวแล้วมันฝึกจะนลงบอย่างไรนั้นในต้องไปถามถึง จอควบจะจะศาสตร์เองควนมสงบความสุขที่เราเคยลืมล่นจิตของมาก่อนแต่ความถอดความถอนความรู้ความเป็นจริงในสิ่งต่างๆและจิตใจเราอยู่สงบนั้นมันมีคุณค่าอะไรต่างกันอย่างไรคือแบบปฏิบัติศาสตร์แต่เข้าใจใช่ไหมที่เจอะมาเข้ามายอย่างนี้ มันมีนมนมนทางที่จะแก้ไขมันมีนมนทางที่จะสงบได้ใจนั้ก็ปเป็นอย่างนั้นนั้นก็เป็นอย่างนี้ใช้จิตของใจเองไปย่งเกี่ยวไปเป็นมดไปถูกพันยึดถืออ่เทราบเรื่องของตัวตานเป็นจริงแล้วจริงภายนอกมันเป็นอย่างไรนี้นใจมนเห็น มันก็เป er ็นอย่อย่างนั้นแบบเราไปชอบกับมันไปตั้งห่มมันมันเกิดในรักกนมีความรู้สึกอะไรจากการไปชมไปตัหนุ่มมันก็จะ้าดอีกนันไมาทุกอย่างยนั้นมันจะมนจะแข็ะไปยึดถือหนุ่ย่าง ที่พิจารากำหมดรักษาโอกาสเวลาที่จะสึกประยมได้นองยัวเาจะหู่ตาคือตาจากจิตมันอยู่เดือดกันหัวตาจะว่าถึงลามันจะมีอยู่ทุกสิ่งทุกส่วนนี่แหละแข็งขาตาหรืออะไรมีอยู่แต่สี่หลานี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วมันจะไปเกิดใคร ในช็อตใครโดยที chị, người người ่ไหนที ra, mình, p, à, hay, ăng, ่ไหนจะไหนทำงานไหนเงิเไหนใคเินไปให้ไม่เคยนนี่คือจิตมันอยู่ในใจคนตายจะร่อนทำงานไหนที่คยใช้เงินจะไม่เคยโดนทังดินได้เงินจะไมอุดบหาใจไมได้ไม่ใค่ไหม่นี่คือเงินคนตายหมดคุณค่าต่ทํายินทำบาปไม่ได้ แต่ทำนีทำเฉยอะไรหมดเลยคนตายสับตายมันเป็นอย่างนั้นัหมดคนค่าแต่คนตายนั้นไม่มีคนค่าถ้าสับตาสัดตาถ้าเป็นเรือเป็นความหนังมันกท้ายได้เข่ามันก็้ายได้กระดูนม้อมันก็้ายได้แต่คนตายนี้ไม่มีใครม่ยอมเชิญับกั มี่จะเอาไปถผาไปสังเวย้วคนณค่ณในนี้แต่เนีย่ยยังมีชีวิตอยู่ในมีอะไรที่จะมีมีคนขคาเหนืคนคนมีคนณคาไหม้าน่พที่จะแต่งอะไรแต่อะไรให้เป็นประโยชน์แก่โลกบ้าและแ้วเนี่ยที่จะยากจะบ่งเทิ เกีตัวควมดีในกาในใจทั้งตัวได้ายหน้าเป็นที่ตั้งของมรรคของผลได้ับถึงหนังเขามันจะมีราคาเมืมันจะมีราคาแตว์เหล่านั้นในสายหน้าทจะให้นะจิตใจทั้งสองบริสุทธิ์เป็นอภัพคสัตว์อไดารย์จะมาต่อไปได้ส อ, อ, อ, องเทขนาดไหน การเห่นี้เป็นท้าที่จะได้ผลให้แต่มันเรืน่นีษษษ้เป็นพระ菩萨ถ้าตังใจตั้งจิตปฏิบัติจริงจังตามธรรมะของพระไตรปิฎที่นี้จะเจอาหถ้าสติปัดญาบทางครับใจใจใจใจของตัวใหอยู่ในขอบเขตของธรรมะจี่พระไตรปิฎกสอนสิ่งจิดเชื่อผิดผิดใจ ทำให้ก็เวลาอยาไปแก้ต้องไปทำสิงที่พเนจรประโยชน์ถ้าทำไปก็พยายามัรรลุทักาบรรลทับใจทั้งเจตธรรรักษาแต่เรียนตำยาต่างๆที่เป็นพิ่เป็นภัยในตัขึ้นที่มีอยู่แล้วต้งจัดทับไล่ไป <c oughs> อยู่คือการปฏิบัติการนรรมะใช้พุทธเจ้าเ hey, พื่อปฏิบัติอย่างนั้นจะใช้มากที่จะรู้เห็นในนักในผลเห็นไเหวียวว่ยงพระพ่อสัตว์เพื่อจาบจุดเชื่อมจัดครู้จัมในนักในผลขึ้นในขึ้นใจของตนผิดกันจับสัตว์จับอื่นม่มีทคงใช้พุทธจ้า ยิงแส้หนนนกเป็นสำคัญเกี่ยวข้อเท้าเอวก็เป็นหนอนนกแล้วก็แม่แส้นอนนกที่ลื่นหลวมติดแข้งลื่นเกี่ยวเป็นเรื่องต่างๆแส้กันเลยเอาอะไรมาแส้เอาสิ่งที่มันเป็นจินในท่าไทยทั้งข้อเอวันตุยงหนังดึกดันเทมทำนะ กีดเดี่ยวปัญหาพอเองเองเราเคยเป็นอย่างนั้นอย่างเราเองเราจำเปนตระทำการเผาเลืเกีืยจะอยู่เดียวจำยาชีวิตตเองมาอย่างนั้นอย่างนั้นความปลอยางถอนอทางใจเป็นอย่างไรถ้าจะอะอันนั้นน่ยนะางพวกเราเาอจากที่อื่นเดี๋ยวมนทำขวางตัวเอง ยังมีอยู่ทกทุกเวลาแต่สัตยังมีอยู่คนยังีอยู่โลกยังมีอยู่ธรแสนกยังมีอยู่แต่คนนี้จะฉลานำธรมนมทนี้กายาจใจทังตัวถเอยู่นคือเหมือนออกไป้แล้วแต่ถี่ฉลาดจะนำมาประดับคนะถ้าไม่ลาด ท่าสอนจะมีอยู่ประโยคุณค่าพระนามให้าอในฉลาดท่านจึงมีธรรมะอาศัยความฉลาดของบุคคลที่เป็นนมาฝึกฝนปฏิบัติตัวภาในฉลาดถึงิ่นั้มันจะมีอยูนไหนมันก็ท้ประโยชน์ในได้เหมือนกันกับ แม้มันมีอยุดเป็นเด่นเป็าแต่ไม่ใช่ว่ที่จะนั่นมาปลกนั่นปลุกเรียนนั่นจะอยู่ในตเนบบาเรียนพัดใบอย่างนั้นเลาฝนตกแดดออกจะเป็ทนทางอาศัยใส่สุขให้ะะสบาแล้ก็เป็นทางอาศัยเลยได้ใครไม่รวะทำการรลุมาทาเป็นห่านเป็นเรียนขึนออนนะะ้อยู่ทำนนะั้นไมีอยู่ในโลก แต่ทำงานโยกันหยุดแต่มำนามธรรมแต่เราเน้นํามาสอนใจของนราที่เจ้ามาแจกให้ใจเห็นจริงไม่ช่มาเกิดประโดชนให้ขาคิดอะไรหรือเห็นออะไรก็ใช้ใจจะหลงจะเชื่อในสิงอย่างนั้นถ้าเราใช่ไหมในสิ่อย่างนั้นในการบอกที่เจ้มาแต่การละทิ้งถอน แลาด้วยคนถือคนจนจิตใจเห็นจินแล้วก็ปล่อยวางก็ได้ถเสียนอย่างไรัโลก็ะมีอยู่ท่านเป็นของจิตถะาห า, า, ห า, ห า, าก่นรูเขียนไม่อาจด้ทันจิตใเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับใบเบี้ยที่มันอยู่ในนั้นนั่นก็ได่หยดเส้นไปเดียดนั้นตกหยดยาได้ไหมให้มันจะไหลหนี นีจิตใจก็ถ้ายามจะฝึกฝึกปฏิบัติจริงใจท่านมีความสงบเืนอย่างน้เห็นใ่ไหมแสงสร้างท่านที่หลงหลวงหลวงฤทธ่์ปฏิบัติชีวิตนี้เป็นขอหน่ๆนนหลั่างวันใด้นใดเดือนใดปีใดมันจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเหนื่อยก็ทำเป็นงานทำดีเอ ในแใจก็เพื่อปทีบัติมันก็เห็นเหงื่ อ, อไหลใั่ถ้าไหนจะเกิดเป็นอะไรก็เฉงใส่ใใจหนึ่งระหว่างที่ไหลใ จ, จมนเหงืออจจออ่อในรู้แต่ใจเห็นใจรู้มันเกิดมีความเฉนใสอะไรจากนี่ไปจะไปไหนรายรู้จากคิกทางหรือวะใราไปถูกแต่ไม่รู้จักเราจะไปึ้นใดทางใร นั่ก็เป็นเฉื่อยต่างคนอื่นและหักใจไม่ใช่เราจะไปอย่างไรยิงจะไปถึงจิตมหาการธนะมะคือคนเหนื่อยจับท่าคนเมือกคนเบาบางคนมีตาของเราสบายด้วยจับท้าจะไปที่ไหนตำแหน่งร่ากายถูกจะพอได้ได้มีอกระตั้งถูกจิตมหาการธรรมะในการศึกษาการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อในใจของเรา ฤทธิ์ตัดเจ็นที่ผิดถึงช่วพบแค่ที่จะไปไหนซึ่งผิดดูยังข่ามผิดอยู่ในรักตัดยังอาจจะรับตัดไม่ได้ถ้าเอกตัรัดตัได้มันเกิดปัญหาอะไรที่จะสงสัยจะไปที่ไหนพบแค่จะมีเรือไม่พอเราบอกเสร็จย่นิตการระพิฏารณาอยู่ในใจสองตัว เ็นม่อมือขอสองไข่จะ ไ, ปไปาาจะด้ไปถามคนอื่นการปฏิบัติทำนะ่มนนนะมันรู้ภายในถึงจะมีความรู้ภายนเนี่ยขอตามภายในมันรู้มันรื อ, ย, รรรอยู่แตคเพรไม่จุดในใจต้องทิดเกี่ยกับปฏิบัติถึงจะเนื่ยรือไม่ มีระกาศเยือบแบบเหมือนทางโลกก่อการแต่การฝึกความสบายกัรละความถอนทั้ท่านท่านทราบท่านเคยใชความฝุกอะไรที่จะยืเสียดเหยี่ดจาอการละกิเลสปัญหาใหม่ความสงบของใจนั้นเงินสงบมากเห็นไหมถึงความสงบ แต่วางทุกสิ่งทุกอย่างการเป็นจริงเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจิตทั้งจุลจสงบขึ้งเพื่อยึดตากคนามสงบนั้นความสอื่นเพื่ยยึดจากคมสงคือในจิตข้าในจิตต้นในสิ่งใดใดสงบอยู่ตลอดการตัวสมัยไมนมีอะไรที่เลื่อนสายเวพยนะกควรนำเขนม เพรบแต่ทํารในทุกอ่าเป็นถึงที่สุดคือมดความพ้นจากโลกไปแล้วนี่เป็นนือังสีกำลังสืบขังเพอสนี้สึเพื้อกอะไรจะเพียงถึงแต่กาเ็นอย่างนั้นที่มันสืบไมสมบุโลกอันนี้ มันจะมอีอย่างนี้รูร้เคียงินเล็กไหนแล้วแสกๆ น, นั็นจะสงบในใจขี้ไหนถ่ายจิตในส น, นุหยุดสงบสิ่งเหนี้มันมีอยู่แต่หยุดในจิตขั้วในเย็บถือถ้าแา่เป็นจิตขั้วนั้นแ่นทันจริงหรนักทีสัสสนติหยดสงบจสบิจสงบตัณฑ์ ยังจิตแข็งตัวไหนมีมีมีชั่วไหนมีจิตมีข้านีีเลนมีหลกับอะไรงเนี้สิ่งอืนมันจะเป็นอย่างไรนะแคตเป็นจริงทนั้นแล้จบไม่วันหวจบไม่ยึบเหนี่วสิ่งเยอะน เพื no liebe, our, ่อสงบถึกระยะถึกยามมีการออกการเข้าอยู่ก่อนสงบตั้งใจสงบในสัปดาห์ก่อนสงดทุกมันจะเกิดขึ้นมาขนาดไหนก็ทราบลนเรื่องของทุกเป็นเรื่องธรรมดาในใจคนโดยรสึกใจในเป็นความสงบที่ในนั้นอยู่ฝันตื่ กามเฉลี ja ่ยนั้นส no it ี no. hmm? ่เท่าส mm ีเป็นอย่างไรใจทั้งท่านที่บริสุทธนั้นเวทนาต่เป็นเหลี่ยมขอเวทนความบริสุทตินั้นจะมีเวทนาแน่ไหนเนี่ยเกี่ยวข้องกับความ้ริสุทธอย่างนั้นมีทางซงสอยาทําให้จิตใจของเราจึงเป็นอย่างนี้เกิดเวทนาทุกที่มาไม่มีทางสึ่งใส ความสงบความบริสุทนั้นเป็นอย่างไรท่านจะทักในจิตในใจทั้งท่านที่อ่คือที่ <c oughs> อย่งการประเภทประเภทแบบแบบช่นนีจิตใจถึงความบริสุทธิ์อย่างนั้นจึงอยาจะเป็นไปถึงความตุอันแน่นอนแผ่กินอย่างการสุอื่น จะยิ่า้างจะเย็นใจอยู่แค่ี้ก็จะมีความทุขแน่นหนึ่งจะมีหน่อีกแตจะม่มีความทุกข์ความเสีหายอะไรทจะเขามาทับถมความบริสุนั้นนี่คือกา ร, รปฏิบัติตามอัรคือารปฏิบัติาสอนกหนดสติปับฐานคือการเวาทานทาจิตธร จะเคยไปถึงความเป็นมือกี่ยความรู้สึกสงบตลอดการตลอดเวลาถ้าหากวาัะษาเราจะพิสปิบัติได้มันเห็นมันนี้เป็นอย่างนี้อย่าไปยุ่งไปเกี่ยวไปติดไปข้างไปเพ่อไปเพลนลืมกาลืมเวลาลืมชีวิตของตัวเนี่ยสิ่งที่ไรายึดถือเกี่ยวข้อง เกิเพนนั้นถึงการด้ื่อนไการจีนจงมันเพินทงาสห่ยไ้นหนวนี่คือว่าศึกปฏิบัติศึกษาในหนึ่งันเวลาที่จะก่อความทุกข์อนี้เยอะ้นกแห้งตายเยนัน่นไหมันเ็มอยู่อย่างนี้เร่โลกแต่ไปเลนการท่กันดูไม่ราบว่าอะไรเป็นอะไรกันนี่ ผมพาตอนที่นิสัยน่ะศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติโอกาสเวลาที่จะลงแต่ทำบันเทิงของเรามงทีน้อยเหมอนสาบางจะเล่มแหย่ตาไปหัรคูกคนต่างจีตต่างใจเสมอที่นิสัยน่ะความลเกินจีบปัญหาหัวตกใหเล่นออกไปใจใจมีความสบายสบายสงบเย็น การที่บางคนเนียเห็นว่าก็เห็นคนตัวให่็จะีบจัลง